อย่าลงไหลนะเพลิดเพลินในความสุขเราจำได้ไหมว่าย6่กธันวาเนี่ยมันสำคัญยังไงเกิดอะไรขึ้นนะบกธันวานหลายปีที่ผ่านมาจำได้ไหมนะสนามิยี่หกธันวา4ี่เจ็ดนะเป็นวันอาทิตย์นะเหตุการณ์สึนามินะนะมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะสิบเปีแล้วนะมันเกิดขึ้นขณะที่ผู้คนนะกำลังหลับไหล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 ที่เกิดจากสึนามิฉะนั้นก็เตือนใจไว้เสมอนะว่าไม่ว่าเราจะมีความสุขจะเราจะมีความสบายอย่างไรนะก็อย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่มันแย่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอย่าเพลิดเพลิพนกับมันมากนะสุขได้นะแต่ว่าอย่าเพลิดเพลินไหลห ล, หลงหลงไหลไม่ใช่เฉพาะเทศกาลอย่างเดียวนะรวมถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้นะมีสุขภาพดีมีเงินมีทอง มีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะก็จะไปหลงไหลกับมันมากพุทธเจ้าเคยสอนพระนันทิยะนะว่าสิ่งที่รับผลแห่งความดีอ่ะเช่นเงินทองชื่อเสียงทรัพย์สมบัตินะลาบสักการละมันเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาะมันเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาใครๆก็อยากได้นะแต่ว่าหารู้ไมว่ามันเป็นพิษถ้าเราไม่พิจารณาถ้าเราเพิเพลิหลงไหลในมันนะ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 มันก็แปดเปลี่ยนไปได้วันนี้สุขภาพเดียวไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่ป่วยนะวันนี้สําเร็จไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะยังสําเร็จต่อไป <Yeah. S 2> วันนี้มีลมหายใจเมื่อไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะยังมีลมหายใจอยู่วันนี้คนรักอยู่กับเราไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เขาก็จะอยู่กับเราเหมือนกันนะให้ <S <S เราลึกไว้นะโดยเพราะในเทศกาลแบบนี้นี่ก็ต้องเตือนเตือนตัวเตือนใจเราไว้ววววเพราะไม่งั้นมันจะเพลิดเพลินหลงไหลมากแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ สื่อต่างๆสิ่งวัลล้อมต่างๆก็มีแต่ชวนปลุกให้ให้ลหลงไหลเพลิดเพลินนะเวลาเราดูโทรทัศน์ดูสื่อต่างๆก็มีแต่เพลกเสียงพวกเสียงเพลงให้เราเพลิดเพลินในในเทศกาลงานรื่นเริงนะไม่ได้มีอะไรที่จะมากระตุกให้เราคิดว่าอาจจะมีสิ่งที่แย่ก็ได้เมื่อปีที่แล้วนี่นะธันวาขณะที่ผู้คนยังรื่นเริงกันนะวันปีใหม่ ก็พบกว่าที่หมู่บ้านตาลินทองที่หมู่บ้าตมาอยู่ต้องต้องจัดงานศพนะแล้วครูนี่ครูคนหนึ่งนะแก่เพลิดเพลิน <ๆ S 1> มากนะปีใหม่ไปฉลองหน่อยนะฉลองจนเมาไมา้เสร็จแล้วขับรถก็เกิดอุบัติเหตุนะรถก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าต้นไม้ตายตายวันที่สาสิบธันวาเนะีตายเพราะเมาเมาเพราะอะไรเมาเพราะฉลองฉลองอะไรฉลองปีใหมนะ่เนี่อกกันว่า ไม่ทันปีใหม่มาไม่ถึงนะปีใหม่มาไม่ถึงตัวเองตายซะก่อนนะอุตส่าห์ฉลองปีใหม่แต่ว่ายัไม่ทันขึ้นปีใหม่ตัวเองก็ตายซ ะ, ละแล้วคนในบ้านก็ต้ อ, ตองมาเศร้าโศกเสียใจจัดงานศพในวันปีใหม่เนี่ยเพราะนั้นเะนะีนะ่ยให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอย่าให้เทศกาลงานรื่นเริงมันมันไปครอ่อบกับจิตใจจนกระทั่งเราเพลินหรือแม้แต่ไม่ใช่เทศกาลก็ตามบางคนก็ไม่สนใจนะปีใหม่ แต่ก็อาจจะเพิ่อเพลิน อ, อ, อย่างอื่นนะเพลินในความสุขในความสำเร็จในในชีวิตกระแสขาขึ้นนะอันนี้มันสามารถจะแปลเปลี่ยนไปเป็นอื่นได้ทั้งนั้นแล้วก็พวกเราก็เตรียมรับพร